บรรดาเพื่อนมิสูสนรสมณีนทั้งหลายคัศเศตชุดนี้เป็นคัเศตชุดเล่าทึ้งความเป็นมาทั้งความตายความจริงผมตายจริงๆแล้วก็เกือบตายรวมแล้วทั้งหมดเก้าครั้งคํำว่าเกือบตายนี่ก็หมายความหมดความรู้สึกจากภายนอกแล้วเหมือนกันแต่ได้ว่าจิตไม่ได้ไปไหน <c oughs> สำหรับการตายจริงๆนั้นจิตท่องเที่ยวไปออกไปแล้วแต่เขาไล่กลับที่นาเรื่องความตายมาพูดวันนี้ด้วยคราวนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะโชว์ฟอร์มของความตายความจริงจะได้ทราบว่าลักษณะการตายความรู้สึกจริงๆเป็นยังไงแต่คงไม่เหมือนกันทุกคนเพราะผมจะตายเองจริงๆก็มีทุกเวทนาอย่างสาหัส ด้วยการตายดิจะตายได้เพราะทุกเวทนามากถ้ามันไม่มากจริงๆประสาททุกส่วนก็ยังทํางานถ้าประสาททุกส่วนยังทํางานอยู่มันก็ยังไม่ตายหรือว่าประสาทบางส่วนหยุดการทํางานแต่ว่าลักษณะการลมหายใจเข้าออกอาการนั้นยังมีอยู่ก็ยังไม่ตายนี่ความตายจริงๆก็ต้องสิ้นลมปราณคือลมหายใจเข้าออก เขก็ลิมบอกไปว่าวันนี้เป็นวันที่24รกรกฎาคม2527เป็นวันที่บันทึกเสียงจะได้ทราบว่าพูดมาตั้งแต่เมื่อไรแล้วก็สำหรับเรื่องความตายนี่มันมีมากหนันงสือเล่มนี้ถ้าเป็นหนังสือนะเพราะว่าการบันทึกนี่ให้ก็ททำหนังสือออกด้วย เพราะว่าคนที่ไม่มีเครื่องบันทึกเสียงและต้องการจะเก็บกจะเก็บไม่ได้นานแล้วอีกบริการหนึ่งในความตายมีมากการบันทึกอย่างนี้ก็หมายความอีกสองคดเรษคั้งคดเศษนี้ด้วยก็จ้งต้องจบหนังสือเล่มแรกหนังสือดํามแรกในความตายไม่จบจะต้องติดไปหนังสือเล่มที่สองเพต้องเกรงว่าหนังสือจะโตเกินไปแบ่งปเป็นเล่ม <c oughs> ท่านที่มีสตางน้อยจะได้มีโอกาสซื้อโดยแล้วก็เรื่มต่อไปก็จะพูดถึงความตายเมื่อความตายจบก็จะนาจริยาวัดของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวบางส่วนที่พบมาถึงความดีของท่านและความลำบากของท่านความเหน็ดเหนื่อยของท่านมาเล่าสูวว่บรรดาพี่น้องพุทธบริ ษ, ษัทฟังจะได้ทราบตามความเป็นจริง เมข่าวต่างๆนี้ออกมาเห็นว่าพระเจ้อยู่หัวไม่ดีบ้างอะไรบ้างอันนี้ผมก็ฟัง <c oughs> ผมฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงตามความเป็นจริงบางท่านก็กล่าวว่ามีบุคคลบางกลุ่มอยากจะล้มล้างสถาบันการสัตย์ผมก็ยังคิดว่าประเทศไทยจะมีความจําเป็นก็สถาบักนการสัตย์อยู่ในกษัตริย์ที่มีอยู่เวลานี้ก็ไม่เคยก่อกรรมทําเข็งใครเลย มีอย่างเดียวบำบัดทุกความงสุขให้แก่บรรดาประชาชน <c oughs> ถ้าจะคนอื่นเข้ามาแทนจะเหมือนหรือไม่เหมือนคงเหมือนไม่ได้เพราะคนละคนถ้าเหมือนไม่ได้จะเหมือนในด้านดีหรือเหมือนในด้านเร็วสําหรับพระบาทสมเด็จเจ้าหัวองค์นี้ไม่แสดงความเร็วกับประชาชนถ้าความความเร็วมาใช้ก็แสดงว่านอกทางไปแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่ประทานความเป็นอยู่เขางปกงรนชาวไทยแต่ใ น, นความเห็นแต่ละคนไม่เหมือนกันผมว่าพูดความตายกันลงดีกว่าสําหรับวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องความตายวาระที่หนึ่งความตายวาระที่หนึ่งจริงๆนี่ครับเขาได้โปรดทราบผมเองก็ยังไม่ทราบอะไรมาก เวลานั้นผมอายุสองปีเศษเศษเข้าสามปีแต่อย่าลืมว่าตั้งแต่ยุปีเศรเศษพอพูดได้บ้างท่านแม่ก็มีเกณฑ์แนะนำแก้บังคับว่าก่อนจะหลับต้องภาวนาวพุโทโธแต่การสอนให้ภาวนาวพุโทโธของท่านก็ไม่ต้องใช้วิธีดีตองมากไม่ต้องกำหนดรูลงให้ใจเข้าออก ไม่ใช่ให้กายให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโท ถ, ถ้าทำอย่างนั้นเรื่องของเด็กๆทาไม่ได้แน่ท่านต้องการคาเดียวคือว่าพุทโทก่อนจะหลับจะต้องภาวนาให้ท่านได้ยินหรือว่าง่ายๆก็คือว่าวให้ท่านได้ยินว่าพุทโทพุทโทพุทโทเพียงเท่านี้ท่านให้หลับได้ ถ้ารับก่อนที่จะพูดว่าพุทโธให้เขาให้ท่านได้ยินสามคำไม่ได้พูดท่านจะปลุกให้ตื่นให้ว่าพุทโธตามเดิม <c oughs> กลุ่มความว่าท่านแนะนําคําว่าพุทโธแล้วก็เด็กๆในบรรดาท่านทั้งหลายโปรดทราบนิวรณ์ยังไม่มีคําว่านิวรณ์นิวรณ์ห้าหรายการคือความรักในระหว่างเพศยังไม่มี อารมณ์ความโกรธทิดจะฆ่าใครก็ยังไม่มีไอ้ความง่วงมีแน่แต่เราใช้เวลาไม่นานก็ยังไม่ถึงง่วงถึงง่วงแล้วถึงกให้ว่าแล้วก็การอารมพุ่งสร้างเกินไปอย่างผู้ใหญ่เด็กก็ไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กไม่ค่อยจะสงสัยอะไรผู้ใหญ่ให้ว่ายังไงก็ว่าไปตามท่านจะว่าแบบนกแก้วทองทองก็ไม่เป็นไร ตีนี้สมมติว่าถ้าว่าพูดแบบนกแก้วทองทองจะมีผลไหมก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสในเรื่องของมัตตกุณฑลีเทพบุตรว่าคนนึกถึงชื่อชั้นท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศองค์สมเด็จพระบรมโรสาธิเกศก็สณทรงยืนยันว่าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดานับไม่ถ้วน นับปกดโกรวันนี้ผมก็เป็นหวัดเวลานั้นท่านแม่บอกว่าภาวนาวาพุทโธก็เป็นความดีแต่ผมเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเมื่อภาวนาอย่างนั้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าทั้งวันเอากันแค่เวลาจะนอน <c oughs> พอแค่เวลาจะนอนก็ภาวนาวาพุทโธได้ยินกรรมนาพุทโธของเด็ก ผมคิดว่าคงไม่สนใจกับความเป็นพระของพระเจ้าเลยว่าตามเกณฑ์บังคับเท่านั้นตอนนี้มาว่ากันเึ่งผลอายุสองปีเศษใกล้ถึงสามปีผมป่วยฉับพลันนั่นก็คือเป็นโรคท้องร่วงไอ้โรคนี้ผมทราบ ทราบจากพระท่านบอกว่าผมต้องตายเพราะโรคนี้โรคทางท้องจะร่วงแล้วไม่ร่วงเวลานี้มันไม่ค่อยจะร่วงเวลานี้ขี้ไม่ออกมันไม่ค่อยจะร่วงมากกว่าคือไม่ยอมจะออกเมื่อก่อนให้ร่วงบ่อยเีนี้ไม่ร่วงแล้วก็ทางท่อไม่กันมันถ่ายไม่ไม่ไม่ไหวมันไม่ถ่ายไม่เคยออกต้องใช้ยาระบายเป็นปกติฉะนั้นเวลานี้ผมยังป่วยไข้ไม่สบาย เรื่ว่าการป่วยไข้ามาสมบายกับธรรมะนี่ผมก็ถือว่าผมต้องสู <c> ้ <oughs> ถ้าเพื่อธรรมะแล้วผมสู้จงกว่าจะสิ้นชีวิตแต่เรือื่นไม่แน่ผมไม่เคสู้ใครแรงไม่มีการมาพูดนี่ก็พูดกันในขณะที่ยังป่วยไข้ามาสมบายวันนี้ก็เดินโซชัสโซซีหลังจากเลิกเห ก, การรับแขกลุกขึ้นมามันเหมืนเครือใกล้จะล้ม แต่ก็ไม่เป็นไรตั้งใจว่าวันนี้จะบันทึกให้จบเล่มที่หนึ่งคือครบสิบทักษศษเมื่อโรคท้องร่วงเกิดขึ้นท่านแม่ก็บอกให้ท่านลุงมารักษาท่านลุงนี่เป็นน้งแพทย์แผนปัจจุบัน แ, แผนโบราณถ้ามีความเข้าใจใ น, นสองอย่างเป็นหมอที่มีชื่อเสียงมากแต่ว่ายาของท่านสู้โรคไม่ได้ในที่สุด ผมก็จต้องตายการตายคราวนั้นก็มีญาติอยู่เยอะมีท่านยาอยู่ด้วยมาพยาบาลและท่านญายของผมก็ดีท่านยายก็ดีทั้งสองคนนี่ปกตินินทาคนไม่เป็นแล้วก็ทรงสินห้าปกติโดยเฉพาะท่านญาญช้ยคำภาวานาคือมีรูปคำมีรูปความชักอยู่เรื่อยๆเวลาท่านยาตายเมื่อผมเป็นเด็กโตแล้ว ท่านนั่งชักลูกคำไปเครื่องโปร่งทกคตายหลังพิงฝ า, าแสดงว่าจริยาของท่านในด้านธรรมะธโม ท, ท่านดีมากเมื <c oughs> ่อตายเข้าจริงๆท่านย่าก็กลับบ้านมันเป็เวลาเย็นแล้วใกล้ยี่ห้าโมงเย็นที่ผมรู้นี่ท่านพ่อกับท่านแม่ที่ย่าเล่าให้ฟังเด็กคงจําอะไรไม่ได้ เมื่อท่านกลับไปบ้านท่านก็อาบน้ําอาท่าแต่งกายแต่งตัวแล้วก็หวังว่าจะกินข้าวเย็นให้มันอิม่มอิ่มแล้วจะกลับมาฟังพระสรวดธรรมแต่พอแต่งตัวเสร็จก็ปรากฏว่าท่านลงจากบ้านวิง่งรื้อมาบ้านทันทีบ้านไม่ไกลกันเป็นนั้นว่าบรรดาอาพิาชที่น้องหลายแปลกใจไม่เอะไม่เคยเห็นจริยาของย่าแบบนี้ ทุกคนก็วิ่งตามมามีความรู้สึกว่าท่านย่าอาจจะเสียใจเพราะผมตายหรือว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นที่บ้านก็ได้ท่านหยิวิ่งมาเพราะทุกคนไม่เคยเห็นต่างคนตามมาแล้วท่านย่าขึ้นมาบนบ้าน <c oughs> มาถึงแทนที่ท่านจะนั่งตามปกติปกติท่านชอบนั่งพับเพียบไปที่ไหนเห็นแตท่านนั่งพับเพียบเป็นปกติ แล้วการนั่งพับเพียบของท่านก็ไม่ค่อยเหยียบพิกบางทีทั้งครึ่งวันค่อนวันท่านั่งวับเพียบด้านฝาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายไม่พิกอีกวันนั้นท่านขึ้นมาท่านพ่อท่านแม่บอกว่าท่านนั่งขัดสมาิสองชั้นแล้วก็ถามว่าลูกของโก้ป่วยไข้ไม่สมบายเท่านี้มึงรักษาก็ไม่ได้หรือทำไมปล่อยให้ลูกของโก้ตาย ท่านพ่อท่านแม่ท่านก็นบอกว่าคุณแม่ครับคนแม่ก็มารักษาด้วยตนเองโรงพยาบาลด้วตนเองก็าทราบอยู่แล้วเสียงท่านลักษณะผิดจากเดิมเป็นลักษณะของผู้ชายแล้วพูดจาเห่าหานเปนบอกลักษณะผู้ชายชัดเมื่อท่านพ่อท่านแม่บอกอย่างนั้นท่านก็นบอกว่ากูไม่เหยียบแม่ของมึงกูคือพระอินทร์เป็นพ่อของเจ้าเด็กคนนี้ เจ้าเด็กคนนี้เป็นลูกกุมานับเป็นแสนชาติทำไมเท่านี้พวกมึงรักษาก็ไม่ได้หรือแล้วเรียกหมอคือท่านลุงขงมาถามว่าทำไมโรคแค่นี้เองรักษาไม่ได้โรคไม่หนักนักท่านลุงก็บอกว่าเกินวิสัยของผมแล้วครับเป็นเร็วห้ืยเกินยาสู้ไม่ได้ต่ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเองก็เอาน้ามาหนึ่งัน แล้วก็ทูปมาสามดอกเอาเทียนมาหนึ่งเล่มค่าจะทานมบุค่าจะรักษาเองในที่สุดท่านก็ทานธมบหลังจะทานธมบเสร็จก็บอกว่าเลื่อนเด็กก็ามาให้ใกล้ข่าเขาก็เลื่อนศพไปใกล้ๆท่านเอามือลูบไปครั้งพอกกระเป๋าแล้วก็นั่งมองประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็ลูบไปครั้งกระเป๋ามองนั่งมองอีเดี๋ยวหนึ่งสามครั้ง พอสาครั้งทังอาโอมนำตั้งใจเงียบๆไปเดี๋ยวเปล่าพูดเปล่าไปครั้งแรกไม่มีอะไรผิดปกติพอเปล่าไปครั้งในสองปรากฏว่าเด็กที่ตายไปแล้วลืมตายขึ้นขยับมือได้พอเปล่าไปครั้งในสามปรากฏเด็กลุกขึ้นพูดได้ตามปกติอาการโรคต่างๆที่เป็นหายหมด หลังจากนั้นท่านก็บระกาศว่าต่อเทอนี้ไปถ้าเด็กคนนี้เป็นอะไรถ้าเห็นว่าถ้าจะเกินวิสัยที่จะเยี่ยวยาได้ก็ขอให้จุดธูปสามดอกบอกท่านท่านจะมาช่วยการรักษาและท่านก็มองหน้ามาที่เด็กเรียกเข้ามาใกล้ให้หันหน้ามาว่าเจ้าจงจำไว้นะว่าพ่อนี่คือพ่อของเอง เองเป็นลูกพ่อมันนับเป็นแสนชาติพ่อนี่คือพระอินทร์ตอนนี้ไปถ้ามีความกลัวอะไรเกิดขึ้นและมีการขัดข้องอะไรก็ตามจงนึกถึงพ่อพ่อจะมาหาทันทีถ้ากลัวผีพ่อจะช่วยขับผีถ้ากลัวกหมาบ้าพ่อจะช่วยขับหมาบ้าเวลานั่นกลัวทั้งผีทั้งหมาบ้าสมผมผมเองนี่ปกติกลัวผีมากสมัยเป็นเด็ก อยู่บนบ้านคนเดียวไม่ได้ถ้านั่งอยู่ข้างล่างก็นั่งคนเดียวใกลผู้ใหญ่ก็ไม่ได้กลัวมีความรูม้ตอนนี้รู้ตัวแล้วก็สําหรับไอซุนนักนี่ผู้ใหญ่เขาหลอกมาบ้าจะกัดมาบ้าจะกัดก็เลยมีอารมณ์กลัวมาบ้าอีกสองกลัวที่ท่านรู้ใจหลังจากนั้นท่านก็ลาไปเมื่อลาไปแล้วตามปกติของผมเป็นคนกลัวผีนี่ บางวันท่านพ่อท่านแม่พี่ท่านลงไปข้างล่างก็บอกอยู่ข้างบนนี่นะจะไปไหนเลยแล้วก็จะเที่ยวไปจะเล่นไปจะหล่นในทุนจะเจ็บตั้งแต่อ ต, อ ต, อตอนเด็กมาคาสั่งผมถือว่าเป็นคำสั่งถ้าเป็นคำสั่งของท่านผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตามเมื่ออยู่คนเดียวก็กลัวผีผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าเป็นโรคม า, ายาก็ได้ ทำยังไงท่านสั่งไม่ให้ลงก็ต้องไม่ลงถ้าจะลงก็กลัวถูกตีจะตีหรือไม่ตีก็ยังไม่แน่อั น, นสุดก็แก้ไขช่วยปัญหาตัวเองนึกถึงท่านพ่อพระอินขอท่านไม่ช่วยปลดเวลานี่กลัวผีแล้วนึกปั๊บเห็นท่านทันทีถ้ามาในลักษณะที่เราเข้าใจเราเข้าใจก็ว่าพระอินตัวเขียวถ้าก็มาเขียวเขียว เมอมาแล้วท่านก็บอกว่าไม่ต้องกลัวพ่อมาแล้วผีมาไม่ได้ผีทั้งหมดสู้พ่อไม่ได้และในการบางครั้งท่านมีภารกิจท่านมาแล้วท่านก็บอกว่าพ่อต้องรีบกลับแต่คนนี้จะช่วยลูกคนนี้ก็คือมีสองคนอันดับแรกในครั้งแรกมีผู้หญิงสาวแล้วก็สวยสวยก็ไม่สวยเปล่าใสาช่ช ด, ดาด้วย ตั้งตัวเสื้อผ้าเต็มไปได้ดวยเพชรแพรวราระยับหน้าตายิ้งแย้มแจ่มใสเธอบอกคนนี้เป็นแม่ของเจ้ามาหลายแสนชาติพเพราะเัญชายาของพ่อคือเป็นเมียพ่อเองแล้วคนนี้เป็นพี่สาวของเจ้ามาหลายแสนชาติเหมือนกันเขาช่วยสเครต่อไปนี้ไปถ้าพ่อมีธุรสจะให้แม่กับพี่มาผมก็มีความสุข พอท่านพ่อกลับท่านแม่กับท่านพี่ก็อยู่ก็คุยกันแบบคนธรรมดาผมก็ชอบสวยๆท่านยินแยม้มแจงมใสท่านถามว่านี่สวยไหมตรงนี้สวยไหมเพชรตรงนี้ดีไหมจึงได้ช่วยคุยผมก็มีความเพลิดเพลินผมก็มีความสุขแต่คุยไม่นานท่านก็จับเป็นนอนตักพราจับเป็นนอนตักรู้สิกก่งเหนื่อยของท่านนิ่มกว่าเนื้อแม่ในชาตินี้มาก และมีความอบอุ่นเป็นพิเศษท่านลูบไปลูบมาวันเดี๋ยเดียวผมก็หลับนี่เรื่องเทวาานุภาพและวันต่อๆมาบางครั้งบารีผมอยู่คนเดียวก็มีความรู้สึกว่ามีลุงคนหนึ่งลุงในชาตินี้ท่านตายไปแล้วคือลุงคนนี้ก่อนที่ท่านจะตายมันมีชีวิตท่านรักผมมากแล้วก็เคยขอท่านพ่อท่านแม่ว่าคนนี้ขอเป็นลูกของฉัน ถ้าท่านไม่มีลกูกท่านพ่อท่านแม่ก็ไมียากขอยกให้เป็นลกูกฉะนั้นในเมื่อท่านตายก็เข้าใจว่าทรัพย์สินบางส่วนอาจจะตกมาถึงผมก็ได้แล้วทรัพย์สินส่วนนั้นอาจจะมีอยู่ถึงเวลานี้ก็ได้ผมเข้าใจว่าอาจจะนะก็เป็นนั้นว่าเห็นมีความรู้สึกว่าท่านมันนอในไกลๆบางทีผมนอยนั่งข้างนอก ตัวรู้สึกว่าท่านมันนอนอยู่ในห้องเสียงโกรนได้ยินจําได้ว่าเป็นเสียงหลงเปลี่นตัวเมได้รับก็จําได้ว่าไปเปลีป่นตั ว, ไไปปตวท่านก็หมดความได้ก็หมดความกลัวในการบางขณนะเวลาเดินไปไหนถ้าเกิดความกลัวขึ้นมาก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามมาข้างหลังบางขนาดเดินชัดกลางวันเนี่ยมองก็ไมเห็นตัว แล้วบางครั้งในตอนที่ผมโตไปแล้วนี่เล่าชั้งโตเลยนะถึงความเป็นหนุ่มแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นบางทีผมก็แกล้งบอกเอา้าเดินข้างหน้าบางสิเดินข้างหลังอย่างเดียวไงก็มีลักษณะเหมือนคนเดินหลีกไปข้างขวาไปเดินข้างหน้าแล้วก็มีเสียงคนเดินข้างหลังบางคราวได้เสียงคุยกันจกแจกโครต๊ต่อกระซิก ลักษณะการคุยรอเล่าต่อกับซิเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆก็ว่าเป็นการขบขันแล้วเกินผมกลัวความจริงผมเป็นหนุ่มแล้วผมก็ยังหวาดกลัวแต่ลักษณะของผมเป็นลักษณะก็นคนดื้อถ้าลงก้าวเท้าก้าวแรกออกแล้วจะไม่ยอมถอยหลังกลับจะไปไหนต้องไปให้ได้ไม่ค่ํามก็ตาม ฉะนันเสียงคนเดินลักษณะลักษณะบอกว่ามีคนติดตามก็มีอยู่เสมอมีคราวหนึ่งผมเดินไปเดินไปเดินมาอยู่แล้ว่าเดินไปก็มีความหวาดนิดหึงที่ตรงนั้นมันมืดแล้วก็มีสมทุมพุ่มไม้ตอนนี้หนุ่มแล้วนะพอเข้าในเขตนั้นชักไม่ไว้ใจตาก็มองจุดนั้น ไอ้มือหนึ่งก็ดึงปืนมาจากกระเป๋าอีกมือหนึ่งถืงอมีดคิดว่าถ้าฆ่าศิกรมาแล้วตัวก็ต้องยิงกันถ้ายิงไม่ออกก็ต้องฟันกันถ้ารวมความแล้วว่าผมคิดอย่างนั้นก็เสียงโฮละขึ้นทันทีลักษณะหกคนก็ถามว่าโฮร้อทาไมใครมาท่านแม่กับท่านพี่หรือก็เสียงตอบว่าไม่ใช่แม่แล้วก็ไม่ใช่พี่ จะเป็นเสียงผู้หญิงเสียงเพราะมากถามว่าใครล่ะท่านก็เลยตอบว่าน้องถามว่าน้องมีกี่คนพอนน้องลักษณะอย่างนี้มีหลายพันคนบนชั้นดาวดิงถามว่าพ่อกับแม่ฉันน่ะสมัยนั้นมีลูกเป็นพันๆหรือก็ว่าไม่ใช่เป็นลูกคนอื่นนี่ามาทำน้องก็เลยไม่เข้าใจล้วถามทาน้องอยังไง เขาบอกผู้ชายกับผู้หญิงถ้าแต่งงานกันผู้หญิงก็ถือว่าเป็นน้องขู้น้องเขาผู้ชายเวลาถ้าอย่างนั้นที่มานี่มาหมดไหมเขาบอกมาไม่หมดมาแค่หกคนก็อยากจะดูทำหน้ารูปหน้าหน้าตาเป็นยังไงทั้งหมดสแสดงให้ปรากฏชัดกลางคืนมืดดนะครับก็เหมือนเขาเ้าไปฟ้าสว่างแค่สองพันดวงสองพันแหล่งเทียน เป็นชัดมากมีหน้าตายิมแยนแจ่มใสแต่ร่างกายเธอแต่งตัวเป็นนางฟ้าไม่ใช่คนแล้วถามว่าสวยไหมก็ตอบว่าสวยแล้วก็ถามว่าสาวสาวที่เคยไปรักแตสวยเท่านี้ไหมโอ้ไม่มีใครแตะได้เลยสวยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นเขาก็เลยถามตอ่อไปหัวหน้าถามว่าถ้าอย่างนั้นจะแต่งงานกับคนนี้หรือแต่งงานเขาสาวสาวในเมืองมนุษย์ ก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสจะแต่งงานกับนางฟ้าได้ก็จะแต่งนี่กำลังใจผมตอนนั้นบันดาเพื่อนวิสุสสมสมณนความรู้สึกในการรักคนจางลงแต่ไม่หมดแต่ว่ามีความต้องการอย่างเดียวเขา อ, อยากจะมีเมียเปน็นนางฟ้าเนี่ยอารมณ์นี้มันขังมาจนทั่งสมัยที่บทเล่าเรื่องในเล่าเรื่องในสมัยนุง่งผ้าปาน จิงปลายกฎไคยกลนอยากแต่งงานกับนางฟ้าแต่จนทั้งเวลานี้ก็ไม่ได้ดแต่งเวลานี้แต่โจรแต่งก็ไม่ไหวแล้วเดินก็ไม่ไหวเพียงแค่นึกจะรักอารมณ์ก็ยังไม่ไหวมันเหนื่อยเพราะความแก่กลุ่มความประการตายครั้งแรกของผมเนี่ยผมเป็นเด็กไม่รู้พอศีภาษา แต่ใส่คำภาวนาว่าพุทโธโดยไม่ตั้งใจอะไรเป็นการบังคับของท่านแม่ท่านบังคับหรือไม่บังคับลักษณะก็ต้องบังคับแต่การบังคับของท่านก็เป็นประโยชน์นนในดังสมัเวลาที่ผมตายตายไปแล้วเกิดมาฟื้นมาใหม่กับรู้จักเทวดา ฉะนั้นผมยังเชื่อว่าเทว ด, ดามีจริงที่พระพุทธเจ้าตัณเทพเทว ด, ดามีเนี่ยผมเชื่อความจริงเวลานั้นผมยังไม่เคยฟังเที่ของพระพุทธเจ้าเลยการรู้จกักเทว ด, ดารู้จักพระอินทร์รู้จักนางฟ้าก็แถมเลยอยากจะแต่งงานกับ น, นางฟ้าซะโวยนี่เป็นไปมากเหมือนกันแต่ความจริงก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลส กล้องความว่าการตายคราวนี้ประโยชน์ใหญ่ก็คือรู้จักเทวดารู้จักนางฟ้าไม่สงสัยเวลาที่มาเรียนธรรมะในของพระพุทธเจ้าก็เกิดไม่มีความสงสัยเรื่องเทวดาเรื่องนางฟ้าเพราะยืนยันได้ว่าตั้งแต่เด็กๆ เ, เห็นมาแล้วนอกจากนั้นอนุภาควาเทวดาและนางฟ้าก็มีอีกทนจะเล่าไปมันยาวยืดยาว ก็เคยเล่าใหน้นังศีลหอบานว่าท่านญ่าต่อมาตาท่านไม่เห็นเลยเวลานั้นผมก็ตโตยี่สิบหกจ็ดขวบ <c oughs> ก็ปรากฏว่าวันหนึ่งได้ยินเสียงตอนเช้ามืดเสียงท่านชื่นนาคใหญ่ชื่นนาคเอ้ยนาคนำมลพ่อทําไว้บนหัวนอนนะขันล่างหน้าที่จัดให้ท่านเสียงบอกทำเป็นนำมล ท่านยาถามเสียงใครเจ้าข้าบอกฉันว่าพ่อคือพระอินทร์เอาล้างหน้าสักสามวันตาจะหายเป็นปกติแล้วก็เป็นความจริงท่านญาติตาไม่เห็นจริงๆแม้แต่มือไปส่องในกลางข้างตาท่านยังไม่เห็นท่านล้างหน้าวันแรกก่อนจะล้างหน้าถึงกับว่าอะไรพึมพำพึมพำพุกก็ไม่รู้เรื่องแล้วแต่กวลาล้างหน้าพอตอนสาย เขานําอาหารมาให้ท่านบอกนี่กระมังข้าวใช่ไหมลูกก็บอกว่าใช่อันนี้ชามข้าวใช่ไหมก็บอกว่าใช่นี่ขันน้ำใช่ไหมใช่นี่ก็สําหรับกับข้าวใช่ไหมใช่ท่านก็นั่งมองเดี๋ยวถามนี่แกงใช่ไหมที่นี่นําพริกใช่ไหมอันนี้ปลาไหลใช่ไหมก็ท่านก็ถามเรื่อยไปถูกต้องหมดท่านเลยบอกว่านํมามนุกว่าอินนี่ท่านมีศักดิ์สิทธิ์มากย่าไม่เคยเห็นเลย พราะวันที่สองล้างอีกครั้งหนึ่งท่านก็เรียกแบบนั้นสามวันตอนนี้ท่านย่าเห็นหมดอะไรอไรก็เห็นหมดไมหมว่าเขานําอาหารมาจากในครัวต่างๆเออไอ้ลูกคนนั้นหลายคนนี้หรือท่านรู้จักพราะวันที่สามไกลสายไกลสายตาเราถึงไหนท่านมองถึงนั่นนีน่คือบรรดาขึ้นวิสุทธิสมณีเรื่องเทวานุภาพมันไม่จํากัดของความดี เราจะไปจำกัดเคกความดีก็เทวานุภาพไม่ได้อนุภาพของท่านเหนือพวกเรามากฉะนั้นขอบรรดาญาโยมพทตบริษัทที่นั่งฟังและเพื่อนปิโสสมณีทั้งหลายคำภาวนาว่าพุทธโธและการนึกถึงพระพุทธจเจ้าถ้าศึกษามาแล้วตามพระธรรมบทหนังสืออื่นก็ตามจงอย่ยาคิดว่าเป็นการล้อเล่น ขอบรนดาพระทั้งหลายที่สัตว์เจตนาไว้ยแต่เมื่อการหลอกลวงคนจงอย่าคิดว่าพระสูตรไม่มีผลแต่ความจริงพระสูตรนี้องค์สมเด็จพระต้นสปลนสอนคนเป็าอาณาณนับไม่ถวนชาดกต่างๆก็ตามเมพระพุทธเจ้าส่งเล่าจบปรากฏมีมากท่านด้วยกันที่ไม่รู้อนณาธพที่บรรดดาแทนพุทธสาวธนิกาชนเป็นนั้นว่าการตายขั้นที่หนึ่ง ประโยชน์ที่จะพึงได้จริงๆหนึ่งองรู้จักพระอินทร์แล้วทราบว่าพระอินทร์เคยเป็นพ่อมาในชาติก่อนถ้นเวลานึกถึงความกลัวขึ้มาแล้วนึกถึงท่านะไรท่านปลายกฎกายให้เห็นทันทีนอกจากนี้ยังรู้จักแม่ในอดีตชาติหลายแสนชาติมาแล้วรู้จักพี่รู้จักน้องแต่น้องที่ไม่ใช่ลูกแม่เป็นลูกของแม่อื่นที่มาสมัครเป็นน้อง หรือว่าไปไปขอเขามาเป็นน้องแต่น้องประเภทนี้ไม่ใช่นอนปกติน้องสามารถที่จะมีลูกทดแทนตัวได้อรัมบันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่าลืมว่านังสือฉบับนี้ก็จะจบลงตอนนี้อ่านไปประมาณสักสองชั่วโมงก็จบถ้าอไดชานะจบเรื่องราวของความตายที่ยังไม่จกต้องคลืบหน้าไปหาเรื่องที่สองต่อไป เราจะทำต่อไปเกลียว่าเล่ม ใ, ใหญ่ๆเกินไปจะหนักใจคนซื้อเพราะทางวัดไม่ต้องการกำไรต้องการอย่างเดียวคือเงินหมุนเวียนได้ก็พอพระสัญญาณบอกว่าจะลายบอกก็หมดแล้วก็แต่ก็ดีก็ต้องขอลา ก, ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผ ล, ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและบรรดาที่สุสมนเลนพี่รักทุกท่านสวัสดี